การไปกี่นาทีนะเมื่อ ก, กี้เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีนะ อ, อันนี้ก็แบตหมดเอาใม่เจ็ดนาทีไปต่อได้ครับ <c oughs> หลวงพ่อครับเอาต่อ <c oughs> ไม่แล้วสุดที5 4 3ส่ออันนี้จะไปต่อกับตอนแรกของรายการเดิมมีท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันไปฝึกที่ไหนได้บ้างใช่ไหม ก็ <Okay. S 2> ต้องบอกท่านผู้ฟังให้ทราบอย่างนี้ว่าฝึกที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ไดนะ้ที่ไหนที่มันจะทําจิตให้เราเป็นหนึ่งได้เอาที่นั่นนะการทําจิตให้เป็นหนึ่งเน่ยไม่จํากัดเลยว่าคุณจะต้องมาวัดคุณจะต้องอยู่ใต้โคนไม้คุณจะต้องหลับตาคุณจะต้องลืมตาได้หมดจิตเป็นหนึ่งมันต้องมีทุกที่เอาอยัางคิด ง, ง่ายๆขับรถนะ่ะถ้าเราไม่มีสติในการขับรถคิดฟุง้งซ่านชนเท่านั้นเอง <Okay. S 2> นะแค่การขับรถเราต้องมีจิตที่เป็นหนึ่ง นะคุณทํางานนะอยู่ในห้องทํางานอยู่ที่ทํางานในสำนัก ง, งานอย่างเงี้ยคุณทําได้ไหมทําได้ตรงนั้นจิตต้องเป็นหนึ่งยูบาร์เมทําได้ไหมถ้าคุณไม่มีสติหลงดื่มลงเลยไปตัวเองใช่ไหมมันต้องมีจิตเป็นหนึ่งตลอดซึ่งเราต้องฝึกตลอดทําตลอดนะส่วนเรื่องการฝึกที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อนแต่คนที่ยังไม่เคยฝึกไม่เคยทําไม่รู้ว่าทํำยังไงอย่างเงี้ยมันจึงต้องมีการสอนที่เป็นระบบนะให้รู้ว่า พระเจ้าสอนยังไงให้มาได้สัมผัสถึงความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเป็นรูปแบบก่อนจึงมีหลายๆ ล, ลักสูตรที่มีขึ้นมาในเมืองไทยอย่าง <Okay. S 2> าก็จะการคมประชาสัมพันธ์ที่เพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่วัดป่าอันไทยโศกนั้นก็เป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าการฝึกตรงนี้มันก็มีหลายแบบพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้หลายแบบวิีการฝึกอย่างแค่อานาปานสติก็มี เรนะะลึกถึงศีลของเราก็มีร <Okay. S 1> ะลึกถึงพุระเจ้าก็มีระลึกถึงพระธรรมก็ได้แลนะบางคนจะไปพิจารณากระดูกก็มีโอ้มีหลายวิธี <Okay. S 1> วิธีไหนทําแล้วจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเอาวิธีนั้น <Okay. S 1> นะที่ไหนทําแล้วเราทําได้เอาที่นั่นนะแต่อย่าพลาดบางคนคิดว่าเออฉันไปมาแล้วนะฉันไปหลีกเล่นปฏิบัติที่วัดนั้นวัดนี้มาแล้ว โอ้ยหลงปู่หลงพ่อหลงตาหลงอาหลงพี่หลงน้าสอนหมดแล้วกลับมาบ้านทําไงวะนี่กลับมาบ้านก็ไปสเรีเทมาลคบเพื่อนชั่วหากินเหล้าเมาเบียร์ไม่ได้เรื่องอันนี้คุณก็จะพลาดอยู่เหมือนกันกลับไปแล้วก็จะต้องฝึกต้องทําเรื่อยๆของเงี้ยคือเรากินข้าววันละกี่มื้อใช่ไหมมื้อละกี่คำอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกันจิตของเราก็ต้องให้อาหารอยู่เรื่อยๆนะเอาแค่ระหว่างเรากินข้าวอยู่เนี่ยเรามีสติสังเกตเห็นลมหายใจ ทำได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรคุณเตืนใจคือจะว่ายากมันก็ยากนะจะว่าง่ายมันก็ไม่ยากง่ายคือง่ายยังไงง่ายตรงที่ว่าถามว่าฝึกจิตมันฝึกที่ไหนนล้วมันฝึกที่ใจใจคุณอยู่ที่ใครก็อยู่ที่เราใช่มหมมาเราไปกับเราไปที่ไหนมันก็ไปกับเราใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วมันอยู่ที่ลมหายใจหายใจครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อตะกี้นี้เอง <laughs> นั่นแหละทําได้แล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหม แล้วก็นี่คือเรื่องง่ายทาได้ตลอดเรื่องยากคืออะไรเรื่องยากคือคนไม่สนใจ<ะ>นเมื่อไรคุณไม่สนใจไม่รู้ไม่แคร์ไม่สนใจไม่ฟังอยากสำหรับคนแบบนั้นยากเพนะราะฉะนั้นคนที่ฟังรายการธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ที่ดีมากๆแล้วนะเราเงี่ยสดลงสดับธรรมะฟังธรรมะอยู่เนี่ยยังไงเนี่ยมันมันก็มีอาหารใจเรื่อยๆ <Okay. S 2> ใช่ไหมตรงนั้นแหละ <Okay. S 2> ถ้าเราทำจิตไปน้อมไปตามเนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตแล้ว <Okay. S 2> ฝึกจิตอย่างนี้จะสามารถทำให้จำคาถาที่พรทชเจ้าบอกว่ า, าใหา้ตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าเราทำอะไรอยู่ไม่เศร้าโศกไม่ร่ำให้ไม่คร่ำครวญใช่ไม้มเราก็ให้รู้ถึงความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นนะคุณจะเป็นอย่างนั้นได้จิตคุณมีกำลังคือว่าเราถูกจิตหลอกม า, มามากแล้วคือหมายความว่าเราทำตามอำนาจของจิต จิตก็จะมาสั่งเราอย่างเงินอย่างเงี้ยคุณเตือนใจ <Okay. S 2> คุณบอกเงินมีอยู่ในกระเป๋าฉันฉันก็ใช้ได้จะสั่งซื้ออ น, นั่นก็ได้ทำอนี้ก็ได้ใช่ไหมบางคนคิดอย่างนี้คิดผิวเผิ่อไป <Okay. S 2> ถามว่าเงินนี้ใครหาเราก็หาเงินนี้ใครเก็บเราก็เก็บเงินนี้ใครใช้เราก็ใช้ก็เงินนั่นแหละใช้เรา <Okay. S 2> ใช่ไหมที่เราเหนื่อยทํางานหากินอยู่ทั้วันนี้ก็เพราะว่าเงินเราจึงตกเป็นทาสของเงิน <Okay. S 2> อ่าเราก็ยังมาหามาเก็บเราก็ยังต้องเก็บอีกนะ โอ้โหโ ม, มันใช้เราทุกอย่างปุยปุยยำพระเจ้าจึงให้มีความพอใจปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นนถึงจะสบายใจได้ลักษณะนี้เนาะก็ะเรียกว่าจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา<ช>แล้วก็เดินในทางสายกลางนะเจ้าคะ่ะสำหรับความเศร้าโศกทุกต่างๆนั้นเนี่ยก็ให้เน้นถึงพระคถาที่พระอาจารย์ไพบุญอ ภ, ภิปุโนได้เมตตาที่จะนํามาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันแล้วนะคะ มีเวลาเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนาทีกว่านะเจ้าคะโยมอยากขอกราบความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญภิพุโนโนได้ย้ำพระคาถานี้เป็นการปิดท้ายรายการอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะสิ่ง5ประการที่ใครในโลกไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทวดามารพรมเจ้าเข้าทรงไม่ได้นะคือขอความแก่นะว่าสิ่งที่แก่ของเราอย่าได้แก่สิ่งที่เจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราอย่าได้เจ็บไข้ สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราอย่าได้ตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราอย่าได้สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราอย่าได้ชิบหายไปเลยอันนี้สมหรับพระรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกหมอดูก็ไม่ได้ตั้งเข้าทรงก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ไซเราก็ไม่ควรเศร้าโศกไม่ควรร่าไห้ ควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้สาธุเจ้าค่ะก็เป็นการฝากท้ายรายการธรรมาราบรุนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2554นะคะท่านผู้ฟังคะเรามีรายการธรรมาราบรุนซึ่งเป็นรายการธรรมะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ทุกผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าค่ะ ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งและในทุกเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นการาสนทนาธรรมหรือชักกระชากับพระอาจารย์ไพบุณ์ภิพุนโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศ อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะสําหรับในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้เราก็คงจะต้อง อ, อำลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะเรียนขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะมากราบน้ำส ก, กานแทบเท้าขอพระคุณพระอาจารย์ไปบูญนาคพิณโนและขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ได้มีเมตตามาจี้แจงสแสดงธรรมให้พวกเราได้รับฟังกันจนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการพิเศษที่เป็นการสักษาดูสนทนาธรรม ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันอาทิตย์นี้เรามากราบน้ำสกานลาพระอาจารย์ภพยบุญอภิปุโ น, น, นพร้อมกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะกราบน้ำสกานขอพระคุณและกราบน้ำสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาใชเจ้าเพราสาธุเจ้าขา